มรรคผลนิพพานที่เลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติเร็วๆเลยไม่ใช่ตรัสรู้โดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างดีและถูกต้องมันจึงใช้คำ ว, ว่าพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญและมีปัญญาทีนี้พระพุทธรัตนะเนี่ยนะการศึกษาพระศาสนาเราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่สมบัติสาธารณะแต่เป็นสมบัติของผู้มีบุญนะนะ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 นี่ถือว่าแหมมันน่าสงสารที่สุดเมือ่อหมายว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดของชีวิตแล้วสแสวงหารายได้ไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจได้เลยว่าอนาคตเนี่ยขอทานแน่นอนอย่างนั้นนะถามว่าทําไมก็ดูจากรายรับแล้วเนี่ยอนาคตมันก็มีแต่ขอทานอย่างเดียวนะครับนะงั้นบางทีเนี่ยเราคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเตือนอีกนิดนึงว่าอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนีนะพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองให้มาก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 อย่าไปเอาเสียงเสียงจะเรียกว่าเสียงชมหรือว่าเสียงด่าเสียงก่นเสียงชมอย่าเอาตรงนั้นเป็นประมาณอ่านตามเป็นจริงของตัวเองเราไม่ได้รวยเพราะคนอื่นเ็าบอกท่านมาเรียกมหาเศรษฐีหรอกเราก็ไม่ได้จนเพราะคนอื่นเรียกว่าเราพวกกยาจกหรอกแต่เราก็เป็นตามที่เราเป็นเราก็มีตามที่เรามีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจะไปไปเชื่อคนอื่นบอกอุ้ยคุณนี่มีศรัทธามาก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 แล้วก็บุคคลก็ไม่ใช่ว่ามีปัญญาเพราะพูดมากหรือนิ่งมากเพราะปัญญาเนี่ยเรามีปัญญาเท่าใดใจของเราก็บอกเราหมดแล้วว่าเรานั้นมีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยเมื่อเราไม่เข้าข้างตัวเองเช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราจะตั้งตนให้คุณธรรมงอกงามไพบูร์และบริบูรณ์ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราทาได้เนี่ยนะทได้เมื่อเราทำได้อบรมได้ฝึกได้เราก็ทำที่สุดแห่ง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 นรกก็เป็นผลผลิตของใจเปรตก็เป็นผลผลิตของใจเดระฌานก็เป็นผลผลิตของใจมนุษย์เทวดาทั้งหลายพรหมโลกทั้งหลายก็เป็นผลผลิตของใจพัน้าถือเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานเนี่ยนะตามที่คาถาธรรมบทกล่าวไว้เรื่องแรกในยะมะกะวักเนี่ยนะยะกะมะกวักนะพระเรื่องจกักขุปานเทรวัตถุหรือว่าเรื่องของมัทกุลเลีก็ตามพัน้าเราเอาสภาพของใจเราเป็นหลัก ในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็แ่งตลอดทำที่สุดแหงกองทุกข์ให้ได้แต่ว่าอยากที่จะกล่าวแนะนำหรือว่าตักเตือนหรือว่าถือว่าเป็นคำบอกเล่าก็แล้วกันว่าเราจะให้ใจของเราโครจรไปกับคำสอนชั่วชาตินี้กี่ชั่วโมงน่นะนะต่อวันหนึ่งวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราควรจะแบ่งใจให้อยู่กับคาสอนได้กี่ชั่วโมงดีน่นนะ อยกักกี่ชั่วโมงดีนาะสิบแปดชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงขอเถอะบางคนบอกแหมบางทีนะบางคนเนี่ยเรากำลังยี่สี่ชั่วโมงในหารนาทีดูหกหารหกสิบวิ่งเท่าไหร่เอ้ยคูณหกสิบนาทีดูนะเยอะนะบองคุณแหมสวดมนั่งห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างก็ยังมีบุญแล้วก็ยังดีบางคนนี่มันได้เท่านั้นจริงๆนะกุศลจิตมันเกิดได้ไม่เกินห้านาทีจริงๆ นะบางคนนี่ไว้ได้แค่นั้นนะอะรหังสัมมาสัมพุธทธพระกวาณนะโมพอละนะนะพอละเลิกแค่นี้พอละบางคนก็เลยไปอิติปิโสอีกหน่อยตั้งแต่อรหังไปจนถึงโลกาาัสัตตินี่มันกี่นาทีเอาแล้วปัญญณวิปยุทธซะส่วนใหญ่เนี่ยจาผิดพุทโธมั่งรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งบุญได้เท่านั้นจริงๆแหละต่อวันหนึ่งนะนะบางวันก็ลืมบางทีลืมไปครึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะโอ้ยเห็นจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะนะนะนะอย่าเพิ่งตายตอนนั้นเนะ้อเนะี่ย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 เราเองถ้าพลาดก็เป็นเหมือนไก่นั่นแหละเหมือนเป็ดเหมือนห่านนั่นแหละจะไปไหนวัดตะพูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันโดยเฉพาะพวกห้าขันก็วนนี่แหละอบายบังสุขติบั้งทุกขติบั้งก็ไหลเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละมันถ้ามไม่เจริญอริยธรรมไม่เจริญคุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่อพรนะธรรมไตรเป็นต้นบางทีเนี่ยสังเกตดูเหมือนว่าเอ ทำไมฟังท่านพูดแล้วแม้ทุกอย่างทำไมต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราเอาใจของเราเองเข้าว่าไม่ได้แล้วคิดเอาเองไม่ได้หรืออะไรหรือบอกไม่ได้คนที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าถ้าที่เหลือต้องทำตามอย่างเดียวขนาดทำตามแล้วยังไม่ง่ายเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงทาเองว่างั้นเถอะเนี่ยนะะหลายๆอย่างในโลกนี่คิดทาเองเป็นเนี่ยนะยากมากทุกเรื่องเลยนะ อยู่ๆแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยสมมุติว่าเป็นชาวเผ่าใดเผ่าหนึ่งเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ ย, ม, ย ม, มันทำอยากทําขนมเค้กมันทํำยังไงเอ่นี่ขนาดเห็นๆนะักขนมเค้กเนี่ยเห็นมันเห็นเป็นเค้กเลยตั้งโต๊ะแ ล, แล้วเอาเครื่องเทศมาตั้งให้หมดเลยเอ่อมันทำยังไงพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทานขนมเค้กพระปเจกกับพระพุทธเจ้าขนาดท่านตรัสรู้แล้วท่านยังบอกสอนไม่ได้เปรียบเหมือนคนใบ้ฝันรู้แต่เล่าให้ฟังไม่ได้ เปรียบเหมือนชาวเขาชาวป่าชาวโดยคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไม่รู้จักชื่อเขาว่าขนมเค้กแล้วก็มาทานขนมชั้นดีของชาวเมืองเสร็จแล้วก็ถามว่าขนมอร่อยมากชื่ออะไรมไม่รู้วิธีปรุงทํำยังไงบ้างไม่รู้เพิ่งทานมาอร่อยมากพูดได้แค่นี้แหละยังอื่นนะยังอื่นเดหาทานเอาเองก็แล้วกันนะแต่รู้ว่ามันดีก็แล้วกันเนี่ยนะพระพระเจท่านอย่างมากท่านก็พูดได้อย่างคล้ายๆแบบนี้ พผันฉันใดก็ดีนั้นของพวกเราขนาดว่าเรียนท่านเรียมตามท่านฟังตามท่านคิดตามท่านขนาดนั้นใจมันยังไม่ค่อยจะยอมเลยใช่ไหมใจมันไม่ค่อยจะยอมเอาตามนะแหมพยศหน้าดูเลยนะนะมันพยศมากบางคนก็บอกแหมปัญญาน้อยของมาไม่ค่อยเชื่อเราว่าคนเนี่ยปัญญาน้อยมันใช้ปัญญาผิดประเภทมากเว่ามันใช้งานผิดประเภทใช้ความคิดเปลืองเกินไปอ่ะบางที บางอย่างควรจะคิดสักสองนาทีไปคิดสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะบางอย่างควรจะคิดสักครึ่งชั่วโมงคิดปลาก็ไปสามวันสามคืนไม่เลิกคิดไอเรื่องบางอย่างที่ควรคิดทั้งวันทั้งคืนคิดสองนาทีอยังเงี้ยมันใช้ผิดประเภทมากมากเลยนะเรียกว่าพวกนี้ใช้อริยสัพย์ผิดประเภทใช้ใจไปผิดประเภทแปลว่าใช้ชีวิตผิดประเภทมันหน้าสงสารหรือว่าหน้าเมตตาเนี่ยนะเรียกว่าหน้ามุทิตาหรือว่าหน้ากรุณา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 ขนาใส่ใจตามคําสอนอย่างยากเขาบอกว่าเนี่ยวิสุทธิมรักเนี่ยนะพระพุทธโกสาจารย์ท่านอุส่าย่อพระไตรปิฎกมาแล้วเราก็ายังบอกว่ายากอีกบอกตอนแรก บ, บอกพระไตรปิฎกยากน่าจะมีการย่อพระไตรปิฎกท่านก็ยอมให้เป็นวิสุทธิมรักบอกมันยากไปกย่อมาอีกท่านมันย่อย่อย่อๆๆไปเนี่ยนะที่จริงอ่ะบอกว่าถามว่าคนโง่ควรเรียนโดยพิสดารหรือเรียนแบบ ย, นย <S <S ่นย่อนะควรเรียนแบบย่อหรือพิสดารั้งโง่เขาเนี่ยนะคนโง่ควรเรียนมากหรือควรเรียนน้อย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 จิตที่เป็นวิริยะจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจิตที่ประกอบด้วยปัญญาจิตที่ประกอบด้วยสติประธานสมมติประธานอิธิบาทอินทร์สีพละโพชงองค์มัดทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราจเจริญโพธิปักจยธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะเช้านี้ก็ ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กล่าวนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตเพื่อให้เจริญด้วยคุณธรรมยิ่งยงขึ้นไปในที่สุดได้ตรัสรู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทัวนกันเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎก บรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกทางสถานีวิทยุหนึ่งปอนหนึ่งสามห้าเวลาเจ็ดนาฬกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬกาและยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬกาทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรหนึ่งสามแปดหกเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬกาสนใจซีดีหรือเอ3สติดต่อดีที่ โรงพยาบาลนวนครนถนนพหนโยธินโทรศัพท์0 2 5 2 9 4 5 3ห4 1สองหสาสถึงสหนึ่งโรงพยาบาลนวนคออยุธยาถนนเอเชียโทรศูนย์สา0ห้สาหหนึ่งและมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์0 2 7 1 1สองเจหนึ่งหนึ่งหถึง ขออนุมโมทนาค่ะ。